ทำไมพวกเราต้องมาทำบุญกันทำไมต้องรักษาศีลกันทำไมต้องปฏิบัติธรรมกันทำไมต้องนั่งสมาธิทำไมต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าการกระทำเหล่านี้มีผลดีกับจิตใจคือผลดีคือความรู้สึก ที่เกิดในใจเราในตัวเราคือความสุขใจความสบายใจ เ, ออเกิดจากการกระทาของเราในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำพอพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาและทดลองวิธีการกระทาต่างๆแล้วทรงเห็นว่าการกระทาอย่างไหนทำแล้วให้มีความสุข การรทำอย่างไหนทำแล้วให้เกิดความทุกข์ต้องทรงรู้ทรงเห็นจึงนำมาสั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่รู้พวกเราก็จะไม่สนใจกับการทำบุญกับการรักษาศีลก่ยกับการฟังเทศฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมเพราะเลย ไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไร <Yeah. S 1> ก็เลยคิดว่าไม่ได้อะไรรู้แต่สิ่งที่ทำแล้วได้เช่ <Yeah. S 1> นการหาเงินทองหาลาบยศของเรานี่มาเป็นทหารเป็นอะไรก็เพื่อหาลาบหายศใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าเป็นแล้วไม่ได้เงินเดือนมาเป็นไหม yeah. <Yeah. S 1> ถ้าเป็นแล้วไม่ได้ยศจะเป็นไหม yeah. เพราะเราคิดว่าการมีลาบมียศมีสรรเสริญจะได้ความสุขได้ความรู้สึกที่ดี <c oughs> แต่พระพุทธเจ้ากลับทรงเห็นว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญเป็นความสุขเพียงนิดเดียวแต่ความทุกข์ที่เราได้จากการหาลาบยศสรรเสริญนี้มันมากกว่ามันเป็นเหมือนยา ความสุขเพื่อบความทุกข์ยาขมเคลือบน้ำตาลยาขมนี่จะมีน้ำตาลเคลือบเป็นผิวบางๆเวลากินมันจะได้ไม่ขมแต่ถ้าน้ำตาลที่เคลือบมันละลายแล้วมันจะมีแต่ความขมความสุขความรู้สึกที่ดีที่พวกเราหากันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีมากกว่า พวกเราทุกวันนี้ทำงานแล้ววุ่นวายกันไนหะความวุ่นวายใจความไม่สบายใจก็เกิดจากการทำงานของเราเนี่ยกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นความสุขส่วนน้อยแล้วมันมีความสุขความทุกข์ความไม่สบายใจส่วนใหญ่มาให้กับเราด้วยไม่ได้มีแต่ความสุขใจเพียงอย่างเดียว มีความทุกข์ใจด้วยพระพุทธเจ้าก็เคยมีลาบมียศมีสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกนื้นก่ายพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่สุขแท้เป็นความสุขปลอมความสุขชั่วกราวความสุขที่จะต้องมีวันหมดพระองค์ก็เลยออกบวช แล้วก็ไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพอไม่หาราบยศสรรเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นรสความวุ่นวายจากการที่เราต้องหาราบยศสรรเสริญนี้ก็ไม่มีแล้วไม่ต้องมากังวลว่าปีนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องถูกโยกย้ายไปที่นั่นไปที่นี่หรือเปล่า ความกังวลเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีไห ม, มไม่ดีไม่รู้ว่าจะต้องไปทำภารกิจอะไรที่ต้องเสี่ยงกับชีพภัยของชีวิตเราหรือเปล่าไปทำอะไรที่เราไม่อยากจะทำกันหรือเปล่าถ้าเรายัางหาราบยกสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายเราก็จะต้องเจอกับความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้ แต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทําบุญทําทานหาความสุขจากการรักษาศีลหาความสุขจากการนั่งสมาธิหาความสุขจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาใจของเราจะมีความสุขแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์แถมมาเป็นความสุขล้วน ถ้าเป็นน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลทั้งแท่งไม่มียาขมสอดไส้อยู่ในน้ำตาลนั้นถ้าเป็นความสุขก็ไม่มีความทุกข์สอดไส้อยู่ในความสุขนั้ น, านทาบุญทาทานจะมีความสุขรักษาศีลจะมีความสุขนั่งสมาธิจะมีความสุขฟังเทศฟังธรรมได้เกิดปัญญาก็จะมีความสุข ดังนั้นเราควรมาทดลองหาความสุขที่พระเจ้าทรงรับรองว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนตอนนี้เรายังสามารถหาราบยศเสรเสรหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่พร้อมๆกับการหาความสุขจากการทำบุญทำทานความสุขจากการรักษาศีล ความสุขจากการนั่งสมาธิความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมนั่ทานเราก็ทำกันตามโอกาสพอมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้พอจะไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนได้ก็ทำไปไม่ต้องทำกับวัดอย่างเดียวทำกับที่ไหนก็ได้เพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลก ที่เขาเดือดร้อนที่เขาขาดแคลนแล้วที่เขาลำบากช่วยเหลือกันไปเวลาเราช่วยให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขใจเกิดขึ้นมาแล้วก็รักษาศีลห้ากันไว้เพราะเรารักษาศีลแล้วเราจะสบายใจเวลาเราทำบาปแล้วเราจะไม่สบายใจ เวลาเราไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปดื่มสุรายาเมาทําแล้วเราไม่สบายใจเพราะเราไปทําความเสียหายไปทําความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราทําให้ใครเขาเดือดร้อนใจเราก็เดือดร้อนความเดือดร้อนนั้นก็จะกลับมาที่ใจเราถ้าเราไม่ทําบาปเราไม่ ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็สบายใจนี่คือความสุขที่เราสามารถทำไปควบคู่กับการหารายดยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ได้แต่หาให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าไปช่อราดบังหลวงอย่าไปคอร์รัปชันอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการแสวงหา ลาบยศเารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หาด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ทุจริตทุจริตก็คือผิดศีลห้าเนี่ยทำผิดศีลห้าหรือผิดกฎหมายเรียกว่าทุจริตทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียได้มาแล้วแต่ใจไม่มีความสุขใจมีความกังวลใจมีความวิตก เป็นเหมือนวอัวสันหลังหวะอะไรมาแตะแผลหน่อยมันจะสะดุง้งเห็นตำรวจเดินมาก็คิดว่าเขาจะมาจับเราแล้ว ท, ทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาเขาไม่รู้เรื่องการทําบาปทําผิดของเราเพียงแต่เขาเดินผ่านมาเท่านั้นเองไม่เขาอาจจะแวะมาถามอะไรบางอย่างขอข้อมูลอะไรบางอย่างแต่พอเราเห็นเครื่องแบบแล้วแล้วเรามีความผิดอยู่ในใจเนีย ใจเราเสียวขึ้นมาเหมือนวัวสัน่นนังหวะพอไปโดนอะไรนิดนึงมันจะสะดุ้งแผลมันจะสะดุ้งเนี่ยเวลาทำแบบเหมือนกับเราไปกรีดแผลไว้ในใจแล้วพอมีอะไรมาแตะมันหน่อยใจมันก็จะสะดุ้งขึ้นมาหวาดกลัวอยู่ไม่เป็นสุขถึงแม้ว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้มา ความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราอยากได้ ม, มันได้ไปมันได้มาแล้วมันหายไปหมดแล้วเวลาได้อะไรมาเราดีใจแต่พอความดีใจหายไปความวิตกกังวลมันจะไม่หายไปมันจะอยู่มันจะมาแทนความความดีใจความสุขใจที่ได้จากการได้สิ่งที่เราอยากได้ด้วยการทำบาปเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสีย ของมวกนี้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้กันเ mm. พราะเราไม่ค่อยได้ดูสังเกตใจเราตลอดเวลาเราจะสังเกตตอนที่ว่าเราไม่สบายใจเราอยากได้อะไร mm. เราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้พอเราได้มานะเราสบายใจเราก็พอใจแค่นั้นแต่ไม่ได้ดูต่อไปว่าหลังจากที่พอใจสบายใจแล้วอะไรตามมาอีก mm. ก็คือความไม่สบายใจ ความอยากทําอีกพอทําแล้วก็อยากทําอีกเพราะว่าความสุขใจความสบายใจที่ได้จากการกระทํามันหมดไปพอหมดมันก็ต้องกลับไปทําใหม่เช่นเดืมเล่าดื่มสุรามันก็มีความสุขเดี๋ยวพอลทธ์ของสุลาจางไปความสุขนั้นก็หายไปเดี๋ยวก็อยากจะดื่มใหม่อยากจะได้ความสุขจากการดื่มสุลาใหม่ อเดิมไปบ่อยๆมันก็จะไปสร้างปัญหาให้กับจิตใจไดร่างกายร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสุรานี่เป็นเป็นภยัยเป็นภัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เรียกว่าปัจจัยเสี่ยง่อนที่เดิมสุรานี่อายุจะสั้นจะมีโรคภัยเบียดเบียน แล้วเวลาหนึ่งก็จะทำให้ขาดสติไม่สามารถทำอะไรที่ดีได้พอมึนเมาแล้วก็อาจจะทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งได้ง่ายแล้วก็อาจจะเสียงานเสียการเดือดมากๆนอนตื่นสายไปทำงานไม่ได้ตื่นขึ้นมาปวดศีรษะไม่อยากจะไปทำงานลางงาน ลาบ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องตกงานเสียเงินทององีกเสียรายได้เสียเงินทองที่ต้องไปซื้อสุรามาดื่มแล้วพอไม่ได้ไปทำงานก็ขาดรายได้ตกงานแล้วก็อาจจะต้องไปทำมิจฉาชีพิีกเพราะเมื่อไม่สามารถหารายได้โดยสุดจริตได้ก็ต้องไปหาโดยวิธีชุดจริตเป็นมิจฉาชีพไป นี่คือภัยของการกระทําที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละเว้นนอกจากการดื่มสุราแล้วที่เป็นอบายมุขยังมีอีกสี่ข้อข้อที่สองจะต่อจากสุราก็คือการเล่นการพนันเล่นการพนันแล้วมันจะติดติดแล้วมันจะเล่นเรื่อยๆเวลาได้ก็เกิดความโลภอยากจะได้มากขึ้น เวลาเสียก็อยากเกิดความอยากจะได้เงินที่เสียกลับคืนมาก็จะเล่นไปเล่นไปพอเสียก็ต้องพอเงินไม่มีเล่นก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองขายบ้านขายที่ดินขายชีวิตของตัวเองท่านบอกว่าขโมยขึ้นบ้านสิบครั้งก็ยังยังดีกว่า เล่นการเสียการพนันเพราะว่าเวลาขโมยขึ้นบ้านมันก็เอาแต่ข้าวของไปบ้านมันยังเอาไปไม่ได้ที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเล่นการพนานนี้เดี๋ยวก็โดนหมดไฟไหม้ก็ไม่ได้แต่ทรัพย์สินสมบัติกับบ้านช่องที่ดินก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเล่นการพนานนี้เดี๋ยวมันขายหมดเพราะไม่มีเงินเล่นก็ต้องขายทรัพย์สมบัติ ขายบ้านขายที่ดินมาเล่นนล้ไทยายังหยุดไม่ได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกตัวนี้ยืมสินถ้าไม่มีจ่ายเขาเดี๋ยวก็โดนเขามาทำร้ายร่างกายเรานี่คือภัยที่พวกเราไม่มองหรือมองไม่เห็นกันเพราะมันต้องใช้ความคิดต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา แต่เรามักจะไม่มองไกลเรามักมองใกล้ๆมองแค่ความสนุกสนานเล่นเลาวสนุกมันดีได้เงินมาก็ใช้หาเงินได้ง่ายก็ใช้ง่ายอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่เวลาหมดก็หน้ามืดนี่ัยจากการเล่นการพนันัยจากการเที่ยวกลางคืนก็เหมือนกันเที่ยวกลางคืนก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆตามบาร์ตามผับเดิมโชราดูบันเทิงไปเสพกามกันเสียมีแต่เงินเสียเงินอย่างเดียวไม่มีไรายได้ถ้าเที่ยวติดเป็นนิสัยก็จะไม่มีเงินใช้ต่อไปเงินหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องไปหาวิธีทุจริตมา ชดใช้รายรายจ่ายที่ใช้ไปเพราะเงินเดือนรายได้นี่ไม่พอเย่เดียวกับการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจัใจ่ายซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จาเป็นพวกที่ไปช้อปปิง้ง ต, ตอนต้นก็ช้อปปิ้งในเมืองไทยก่อนต่อไปก็ไปช้อปปิ้งเมืองนอกไปเกาหลีไปฮ่องกงไปญี่ปุ่น ชอบแล้วมันก็ติดทําอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเวลาไม่ได้ทําแล้วมันหงุดหงิดอยู่บ้านแล้วมันลาคาญเดี๋ยวก็ชอบบ่อยๆเดี๋ยวกันก็หมดมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนี่ก็เป็นภัยอย่างไปอย่างก็คือการครบคนที่ชอบอบายมุขเนี่ยเป็นมิตรก็ไม่ดีถ้าไปชอบคนที่ดื่มสุราเขาก็จะชวนเราดื่มสุราถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบ เล่นการพนันเขาก็ชวนเราไปเล่นการพนันถ้าคบกับคนที่ชอบไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าชอบถ้าคบกับคนที่ชอบไปท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งก็เขาก็จะชวนเราไปท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งอันหนี้บอกว่าวการคบคนพานคนโง่คนที่ชอบอบายมุขนี้ไม่ดีเป็นอันตรายเพราะจะนำไปสู่การกระทําบาปต่อไป เพราะมันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับแล้วประการสุดท้ายก็คือความเกียดคร้านความเกียดคร้านนี้ก็ไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเราเพราะมันไม่ผลิตรายรายรับมีแต่รายจ่ายคนียดคนขี้เกียดไปโรงเรียนขี้เกียดไปทำงานนี่ถ้าสมัยเด็กขี้เกียดเรียนหนังสือก็เรียนไม่สูงไม่ได้ปริญญา บางทีจบแค่ป .4 ป .6 ถ้าไม่มีความรู้ไปทํางานรายได้ก็น้อยแล้วถ้าขี้เกียจทําก็ไม่มีรายได้เลยถ้าเกียจข้นไม่ทํามาหากินไม่ขยนันทํามาหากินไม่ขยันศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนารายได้ของเรามีแต่รู้จักใช้เงินใช้ทอง คนขี้เกียจนี้มักจะขยันใช้เงินแต่ขี้เกียจหาเงินถ้าขี้เกียจหาเงินขยันใช้เงินต่อให้มีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ต่อไปก็ไม่มีหลงเหลืออยู่เป็นเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกได้นี่คือภัยของการกระทำที่พุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภยัยถ้าถึงสอนให้เราอย่าไปทย อย่าไปเสพประบายยามุกอย่าไปทำบาปอย่าไปผิดศีลสี่ข้อห้าข้อนี้อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปโกหกหลอกลวงอย่าไปดื่มสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆนี่เป็นวิธีกำจัดความรู้สึกที่ไม่ดีกำจัดปัญหาต่างๆปัญจัดกำจัดภัยต่างๆที่จะมา กระทบกับชีวิตของเราถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับการทำบาปไม่เกี่ยวข้องกับอาบายามุกแล้วชีวิตเราจะปลอดภัยจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความขยันหมั่นเทียนไปทำงานตรงเวลาเลิกเลิกหลังเวลาทำงานพิเศษมีผลงานเยอะแยะเดี๋ยวเจ้านายก็เลื่อนขั้นเลื่อนยอดให้เอง ถ้าไม่ขยันขี้เกียจคอยหลบหน้าเจ้านายหลบเป็นเดิมเล่าตรงนู้นหลบไปนั่งเล่นการพนันตรงนี้ไม่มีผลงานพอถึงเวลาพิจารณาตำแหน่งเขาก็ไม่พิจารณาเราเพราะไม่มีผลงานปรากฏขึ้นมามีแต่เวลาที่เรารับราชการเวลาไม่เลยเป็นตัววัดอย่างเดียวว่า เราจะควรได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่อยู่ที่ผลงานที่เราทำให้กับหน่วยงานของเรานี่คือศีลให้รักษาศีลอย่าทำบาปอย่าเสพอบา ย, ยามุขแล้วความเสื่อมเสียจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ทำบุญทำความดี บุญนี้นอกจากการให้ทานแล้วก็การรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับองค์กรทาประโยชน์ให้กับเจ้านายมันสาวธิด์ก็ไปรับใช้เจ้านายเป็นกรณีพิเศษเหี๋ยวเจ้านายก็เอ็นดูเราเองรักเรา อาสาสมัครไปไม่ต้องให้เขาบังคับไปถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าอย่างนี้จะเรียกว่าเลียก็ไม่เลียหรอกมันเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะทําความดีโดยที่เราก็ไม่ได้หวังอะไรทําความดีแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องมีผลงาน ทำงานที่ทำงานแล้วยังไม่พอยังไปทำงานที่บ้านเจ้านายอกีกเดี๋ยวเจ้านายก็อดที่จะให้รงหางวัลไม่ได้เองถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็อยากจะให้รงหางวัลใครคนที่มีผลงานหรือคนที่ไม่มีผลงานใช่ไหมถ้าถึงเวลาจะต้องพิจารณาความดีความชอบนี้เราจะพิจารณาใครก่อนคนที่ไม่มีผลงานหรือคนที่มีผลงานนี่คือความดีทำบุญ ทำความดีทำประโยชน์อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเวลานี้มันเป็นได้ทั้งบุญเป็นได้ทั้งคุณและเป็นได้ทั้งโทษอยู่ที่เราใช้เวลาอย่างไรถ้าเราใช้เวลาเป็นในการทำความดีเวลาก็จะผลิตแต่ลาบยศสรรเสริญผลิตแต่ความสุขให้กับเราถ้าเราเอาเวลาไปทำบาปไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปเสพอบายามก เวลามันก็จะผลิตแต่โทษผลิตแต่ปัญหาให้กับเราอยู่ที่การกระทาของเราอันนี้ก็เป็นการทำบุญการสร้างความสุขระดับที่สองเกิการไม่ทำบาปการรักษาศีลห้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะได้ความสุขสูงกว่านี้ก็ให้ไปปฏิบัติธรรมให้ไปฝึกนั่งสมาธิ จะนั่งสมาธิได้ต้องไปถือศีลแปดไปบวชชั่วคราวการถือศีลแปดนี่ถือว่าเป็นการไปบวชเพราะว่าคนถือศีลแปดก็จะอยู่แบบนักบวชจะไม่นอนกับแฟนจะไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่ไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆจะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวจะไปวัดไปหาที่สงบ ไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการที่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีความสุขกว่าได้ร่วมหลับนอนกับแฟนนั่งสมาธิแล้วใจสงบนี้มันสุขสูงสุดในบรรดาความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความสุขอันใด ที่จะสูงเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะดีเท่ากับความสงบวันพระวันหยุดทํางานลองไปหาความสุขแบบนี้กันสักวันถ้าเราหาความสุขแบบนี้ได้เราจะลดรายจ่ายได้เยอะแยะเลยถ้าเรานั่งสมาธิได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิได้นี่เราจะไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปช้อปปิง้งไม่ต้องไปซื้อสุรามาดื่มไม่ต้องไป เล่นการทพนั้นไม่ต้องไปทําอะไรต่างๆมากมายที่ต้องมีรายจ่ายที่ต้องเสียเงินเสียทองนั่งสมาธินี่ไม่เสียเงินเลยอย่างมากก็เสียค่าน้ําค่าไฟถ้าไปอยู่วัดก็ทําบุญค่าน้ําค่าไฟไปแล้วเราจะไม่มีปัญหากับเรื่องรายรับรายจ่ายเงินทองจะเหลือใช้เพราะเราจะใช้กับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น ก็คือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ส่วนใหญ่แล้วก็มีครอบอยู่แล้วเสื้อผ้าเราก็มีครอบอยู่แล้วบ้านเราก็มีอยู่แล้วยารักษาโรคเราก็ยังไม่ต้องใช้เพราะเรานานๆจะไม่สบายสักครั้งหนึ่งไม่สบายก็มีรักษาสามสิบบาทนรักษาได้ทุกโรค ก, ก็มีแค่อาหารเท่านั้นที่เราต้องซื้อเป็นประจำมันก็จะไม่มากถ้าเรากินอย่างประหยัดมือละร้อยนี่ก็เหลือเฟือแล้ว ถ้ากินมือเดียวก็แค่ร้อยเดียวเอาเวลามานั่งสมาธิมาเอาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าถ้านั่งสมาธิได้รับรองว่าชีวิตจะมีความสุขจะไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายไปทำงานกลับมาบ้านก็มานั่งสมาธิ แล้วก็จะมีเวลาพักผ่อนหลับนอนถึงเวลาเช้าตื่นก็ไปทำงานมีกำลังไปทำงานเวลาทำงานก็ทำได้อย่างเต็มที่ผลงานก็ออกมานี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมข้อสุดท้ายที่สอนให้ทำก็คือฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญา ให้รู้เหตุดูผลให้รู้ว่าการกระทาของเรานี่เป็นเหตุที่จะทำให้มีผลดีผลไม่ดีกับเราเองถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนทำบุญทำทานรักษาศีนั่งสมาธิจะได้แต่ผลดีได้แต่ความสุขแต่ถ้าไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนบุญก็ไม่ทำศีนก็ไม่รักษาสมาธิก็ไม่นั่ง ก็มันก็จะไปเสพอบายาหมุกกันไปเล่นการพ น, นันไปดื่มสุราไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีความเกียดค้านกันแล้วมันจะเอารายรับมาจากที่ไหนมีแต่รายจ่ายเดี๋ยวมันก็ต้องไปทำบาปทำผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางกันนี่คือปัญญาการฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้เหตุของ การของของความดีทั้งหลายและเหตุของความเดร้รายทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การกระทาของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทาทางกายวาจาใจถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะคิดไม่ออกไม่รู้ว่าทำไงแล้วมันจะดีเราก็จะทำตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งความรู้สึกนึกคิดของเรานี่มันชอบมากง่ายไม่ใช่มากน้อยนะมากง่าย เ้วก็ไม่สันโดษโลภมากไม่ยินดีตามมีตามเกิดไม่มีความพอใจมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมนะพระอาจาจะสอนให้เรามาักน้อยสันโดษอย่าไปมากๆอย่าไปโลภมากพอมีพอกินนี่ก็พอแล้วความสุขทางร่างกายนี้มีแค่ปัจจัยสี่ พอมีปัจจัยสี่ก็ได้เต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ระดับในสิบหรือระดับในร้อยในพันหรือในพนมันก็เป็นปัจจัยสี่สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกันทําให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นในพนร่างกายถึงจะมีความสุขจากการกินจากปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ของในพนกับปัจจัยสี่ของพนอาหารก็เหมือนกัน รักษาให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขได้เหมือนกันงั้นอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้ตำแ ห, หน่งนั่นตำแหน่งนี้ให้มันมาเองมันอยากจะมาให้มันมาเองเราไม่มีหน้าที่ไปโลภเรา ม, มีหน้าที่ทำหน้าที่ทำการงานของเราให้สมบูรณ์<ส>เพื่อจะได้ทดแทนเงินเดือนที่เขาให้กับเราเท่านั้นเองเราทำงานเพื่อเงินเดือนเพื่อเอามาเลี้ยงชีพ ส่วนตำแหน่งนี้เขาจะให้เรานี่ถือว่าเป็นของขวัญเขาจะให้เราขั้นไหนก็แล้วแต่เขาเขาไม่ให้เราเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความมากันนมม ก, มมกน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดถ้ามีมักน้อยสันโดษแล้วจะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายจะได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นหรือไม่ไม่ไม่รู้รสึกเดือดร้อนเฉยเฉย เรามักน้อยเรามากักเราขอแค่ได้เงินเดือนก็พอแล้วขอ เ, เอาเงินเดือนมาจ่ายค่าอาหารที่อยู่อาศัยจ่ายเสื้อผ้าจ่ายค่ายารักษาโรคได้แค่นี้เราพอแล้วนี่คําว่ามักน้อยี่สันญด้วยก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นได้ปัจจัยสี่ของนายสิบก็ก็ก็ยินดีได้ปัจจัยสิบของนายร้อย ก, ก็ยิน ด, ไ ด, จจนนดีได้อยู่บ้านของนายพันก็ยินดีได้อยู่บ้านของนายพนก็ยินดี แต่ไม่โลภไม่อยากได้อยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนกันเวลานอนหลับอยู่ในบ้านระดับไหนก็ไม่รู้ละมันก็เป็นบ้านไว้สำหรับลบแดดหลบผลหลบภัยต่างๆเหมือนกันใส่เสื้อผ้าติดดาวแล้วไม่ติดดาวมันก็แค่เสื้อผ้าเหมือนกันเอาไว้สวมใส่ปกปิดอวัยวะร่างกายขอให้เรามีความมากน้อยยินดีแค่ปัจจัยสี่ ส่วนลาบยศสารเสวนี่แล้วแต่มันแล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันแล้วแต่ความดีงามความดีความชอบถ้าเราทำความดีความชอบมันมาเองเราไม่ต้องไปดิน้นไปหามันเพราะว่าได้มามันก็ไม่ได้ทำให้เราร่างกายเราสุขมากไปกว่านี้มันก็เท่าเดิมเราจะได้ไม่เหนื่อยเราจะได้ไม่เครียดเราจะได้ไม่เสียใจถึงเวลาที่เขามีการ บำเหน็จมีการให้ความดีความชอบแล้วเราไม่ได้รับเราก็จะไม่รู้สกเสียใจแล้วก็เราก็จะอนุโมทนาใครได้ก็ยินดีถือว่าเป็นความดีความชอบของเขาเราไม่มีความดีความชอบรือเขามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอให้เราขอให้เขาอย่าลืมเงินเดือนเราก็แล้ว ก, กัน <c oughs> ขอให้มีข้าวกินมีบ้านอยู่ก็ใช้ได้แล้วชีวิตของคนเรา ไอ้พวกลาบยศนี่มันของแถมมาพวกยศตำแหน่งมันของแถมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเรานั่งสมาธิได้เราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกว่าความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิเราแล้วเราจะมีศักดิ์ศรีเราจะไม่ต้องไปเป็นขอทานไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้เพราะเรามีของวิเศษเราเป็นเศรษฐีในใจ ความสุขใจที่ยิ่งใหญ่ทำให้เราเป็นเศรษฐีในใจ mm hmm. ก็คือความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิแต่ mm hmm. จะต้องฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้คอยดึงใจให้อยู่ในความมักน้อยสันโดษถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมเราเดี๋ยวความโลภมันจะหลอกเราได้นั่นก็นดีได้นี่ก็ดีได้มาแล้วเป็นไงมันก็เท่านั้นแหละ ยิ่งไปได้โดยวิธีทุจริตก็ยิ่งมีปัญหาตามมาใหญ่งั้นขอให้ระมัดระวังนะถ้าอยากได้อะไรก็อย่าหาโดยวิธีทุจริตได้มาแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียถ้ามีความมาักน้อยยินดีตามมีตามเกิดได้ยิ่งดีใหญ่จะไม่เหลือดร้อนจะไม่วุ่นวายจะไม่ต้องไปทำบาปทํากรรมไม่น้องไปทำผิดกฎหมาย แล้วชีวิตเราจะปลอดภัยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ใจเรานอนหลับสบายคนที่ไปทำบาปทำผิดกฎหมายนี่เวลานอนหลับนอนไม่ค่อยหลับนะหวาดกลัววิตกกังวล <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทำกันทำบุญทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นียกว่าทำบุญรักษาศีลอย่าไปทำบาปอย่าไปทา ความเสียหายให้แก่ผู้อื่นสามมาฝึกจิตทำจัดทำจิตให้สงบหาความสุขจากการทำจิตให้สงบดีกว่าพอเป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่สูงสุดความสุขของจอมพลที่แท้จริงก็คือการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้แสดงว่าเราได้ความสุขระดับของจอมพลเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นจอมพล สูงกว่าจอมพลด้วยเพราะความสุขจากความสงบนี้สูงกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ความสสูงกว่าความสุขของพระเจ้าแผ่นดินความสุขที่สูงกว่าของนายกรัฐมนตรีคือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเลยเรามาตั้งเป้าตรงนี้ดีกว่าถ้าอยากจะโลภให้โลภ ก, กับความสุขแบบนี้ดีกว่าโลภแบบนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพราะไม่ไปทาอะไรให้ใครเสียหาย พอเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็เพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวพอจิตรวมลงมันสงบปับ๊บก็ได้ความสุขระดับเหนือโลกขึ้นมาทันทีนี่แหละถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันเถอะวันหยุดวันไม่ทำงานลอ ง, ลองมาฝึกจิตกันไปอยู่วาดกันไปถือศีลแปลดกันไปนั่งสมาธิกัน ถ้าจิตสงบนี่มันจะทิ้งหมดเลยเนี่ยคนที่มาฝึกจิตนี่ฝึกไม่นานลาออกจากงานกันแล้วเนี่ยปีนี้ก็ลาออกไปสามคนคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เนี่ยจะไปบวชแล้วเนี่ยมาฝึกจิตยอยู่ไม่นานมาฟังเทศฟังธรรมฝึกจิตทำใจให้สงบพอพบความสงบที่เกิดจากการฝึกจิตแล้วก็ทิ้งได้ทุกอย่างอีกสองคนก็ทางาน วันหนึ่งทำงานลงกาอในค น, นทางานธนาคารอันนี้ลาออกจากงานแล้วจะมาหาความสุขระดับเหนือระดับเหนือโลกแล้วเรากดตะละทำมาสมัครบวชแล้วลูกชายของโยมก็ไปบวชแล้วนี่แหละความสุขที่ทำให้พระพุทธเจ้าสละราชสมบัติได้ความสุขที่ทำให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา คามถูกที่ทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปงั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามเถอะเหมือนฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆเพราะถ้าไม่ฟังเดี๋ยวลืมฟังตรงนี้เดี๋ยวออกไปปั๊บก็ไปคุยกับเรื่องอื่นละพอคุยแล้วเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าจะให้สอบคลียรับรองนด้สอบไม่ผ่านนาะวันนี้ได้ เดี๋ยวจะทำข้อสอบให้น้องตอบดูมาวันนี้ได้ได้ฟังอะไรบ้างนะขอให้ฟังบ่อยๆเพราะไม่ฟังบ่อยๆมันลืมลืมแล้วเดี๋ยวความหลงก็จะหลอกให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาบายามุกต่างๆแนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำบาปทากำกรรมแล้เดี๋ยวก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมติดคุกติดตลางถูกเขา้า ขับไล่ออกจากการงานถอดยศกันระมัธระวังนะั้นมันเป็นการกระทําของเราเองไม่มีใครก็ตั้งใจจะมาถอดยศเราหรอกแต่การกระทําของเราเนี่ยแหละเป็นการถอดยศตัวเราเองเรือสร้างยศให้กับเราเองทําความดีความชอบเดี๋ยวยศมันมาเองทำไม่ดีไม่ชอบเดี๋ยวยศมันก็หายไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรง ส, สอน ผู้ที่เชื่อน้ำนาไปปฏิบัติแล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองโดยถ่ายเดียวนะการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พอรอยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิ เอจิตังปฏทีตังตุ მ หังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิว a จันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารูธรรมวาธานติอายุวโนสุขังภาลั เออแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้เพราะวาเขาติดกัตมสมาธิอย่างเดียวมาหลายปีแล้วค่ ะ, อะเออหัดออกพิจารณาร่างกายบ้างนะพิจาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครยับยั้งเหมือนได้ถ้าไปยืดไปติดจะทุกข์ถ้าไม่ยืดไม่ติดจะไม่ทุกข์อะไรเนี่ยนิสัยมาก ไม่โฟนเรื่องเก็บเงินเสียค่าค่าเรียนอรันหมดมีทีาลัยก็จะมีนั่งมีปัสนานั่งสมาธิเป็นคอร์สแต่ต้องจ่ายเงินที่ไ้นก็ไปเงินไม่หมดไม่รู้จักคําว่าทานไงครัะหลังมาอยู่ที่นี่ยังทําทานไม่เป็นเลยมาอยู่ไม่เคยทําบุญเลยอืตอนนี้เลยต้องสอนว่ามาอยู่ต้องทําบุญด้วยนะอ ทำบทุญทำทานฮ่ะทำบุญทำทานเพราะก <c oughs> ็ไม่ถูกสอนมาจัแต่เด็กเราไม่มีความคิดเรื่องการทำบุญเงินใจมีแต่จะหาเงินอย่างเดียวหาเงินใช้เงินอที่นั่นไปอยู่วิปัสสนามันแพงก็ยิ่งไปอยู่โรงแรมอย่างีกคอร์หนึ่งเป็นพันเหรียญสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย เขาเมาีค่าใช้จ่ายสูงในที่นั่นใช่ไหมแต่ที่นี่เราฟรีที่มายไม่ได้เก็บตังค์มันก็เลยไม่จ่ายกันเลยไม่ทําบุญเลยเพราะว่านั่นเพื่อนแฟนที่เป็นผู้หญิงฝรั่งเศสเขามาเขาที่มาถึงเขาเขากลับไปกลับึ้นมาถึงเขาบอกไม่เคยเจอที่ดีแบบนี้นึงไม่ถึงครับว่าไม่เคยเห็นคนมานั่งทําเที่ยวทําอสงบทุกคนคเขาเห็นแล้วเขา เขาบอกแล้วเขาคือดีมากแต่ก hm ่นมาเมือไทยก็เรียนชวนแตไปเที่ยวไปอาบน้ำทะเลไปตากแดดกันอารมสุขเดียวเดียวไปอยู่เมืองไหนมาอยู่เคมอนครับเคมอนที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหม ไปทาง LA เลยเอ่อ LA ประมาณกสิบกิโเมตรทางตะวันออกไปทางแซนเบอร์นีโนเนว่าเวดาก่กต้องออกไปทางแซนเบอร์นีโน่ต้องไหมครับใช่ครับก็เลยไปมหาลัยไปหน่อยนึงก็จะเข้าเขตแนเบอร์นีโน่อ้วมีวัดปายวัดออนทาเลโอที่เมืองออนทาเลโอวัดโทริดัตตา วัดของพระอาจารย์สวัสดิ์ไปใกล้จะสอนแถวไหนวะเวลาเวลาลงเครื่องบินก็ลงอันตรายเลยนะที่นั่นจะมีวัดไท ย, ยวัดชื่อวัดภูริดัตตะเทะระา่า อ, าอาแล้วถ้าจะไปวัดป่าจริงๆก็ต้องไปแซนดี้ก็วัดเมตตามีพระมีชาวอเมริกันมาบวชอยู่ที่เมืองไทยแล้วตอนนี้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่เท่นั้น เขาเรียกว่าอาจารย์เจฟชื่อเจฟเจฟเจฟี่เขาเรียกาอาจารย์เจฟวัดเมตตาอยู่ที่ใกล้อยู่ที่เคสแอนดีโกเขาเรียกแวลลี่เซ็นเตอร์ไปดูเปิดดูในเว็บไซต์ก็ไดนะ้เพื่ออยากจะไปวัดบ้างนี่ใช่ไหมอยากจะไปทำบุญมีภาพ ของในหวงราชการที่ก้าวแจกนะใครอยากจะได้มีญาตโยมเมตตามาให้สวัสดิทุนะครับที่อยู่บนเขานี่เกิดขึ้นได้ก็เพราะความเมตตาของในหลวงเนี่ปกติเันเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่านี่คนก็มาใช้ไม่ได้ที่พอดีพระขึ้นมาปฏิบัติอยู่ก่อนก่อนที่เขาจะมาประกาศเป็นเขตนะท่านก็เลยให้ สั่งเขาว่ายกเว้นเป็นกรณีพิเศษอนุญาตให้พระสงฆ์อง์เจ้าที่บำเพญ็ญอยู่วันนี้อยู่ต่อไป<ช>อ่าที่อย่างที่อย่างงี้ยากที่สมบที่อยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองที่ง้ากสมบกอยู่ล้าล้มืองอย่าง้กบีอลับต า, ต า, ต า, ตาตนใลมือนั่อางงากทีมบ่อล้บ้านกลเมืี่อางงี้ยากทสมบกียใลบนใ้มอทีอางี้ากบุกทีใกล้้าน้มงาง้าท่มท่าไหรล่ วันนี้สี่ร้อยห้าค่ะยูทูปเก้าสิบอ๋ <YouTube 90 S 1> อกบเกือบร้อยนะเก้าสิบน ะ, ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีจะให้ทางยูทูปทางเฟ e บ o o กถามมางนะ ม, มีการถ่ายทอดสดทั่วโลกเนะียมีคนติดตามมีฝรั่งคนอยู่ลาสเวกัสก็ติดตามอยู่ตอนนี้ตีสองกว่านะตีสองตีสาม แล้วไม่ถึงมุ่งพ่อเขาตีสามที่ที่ตีสองตีสองตีหนึ่งตอนนี้ตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าก็คำถามใครเข้ามาก่อนอเดี๋ยวก่อนอ่ารักแล้วจากน่อนอ่าก็เริ่มจากผมขนเล็บฟันเข้าไปง ดูผมดูขนดูเล็บดูว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างผมก็เป็นอย่างหนึ่งขนก็เป็นอย่างหนึ่งเล็บ ก, ก็เป็นอย่างหนึ่งฟันก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นอาการหนึ่งหนังเอเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสล น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดท่องมันไว้แล้วก็นึกถึงภาพของอาการเหล่านี้จำแหละร่างกายออกเป็นเหมือนพ่อค้าหมูพ่อค้าขายหมูขายเนื้อในตลาดเขาว่าจำแหละเนื้อหมูออกเป็นชิ้นเป็นส่วนไปอ่าแล้วก็คนดูว่าเราส่วนไหนตัวเราอยู่ตรงไหน เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราใช่ไหมคิดหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมแน่ใจเลยไม่ใช่ตัวเราแล้วไปยึดมันไดาไมยึดหรือเปล่าไม่ไปยึดอ่ะไมยึดแล้วเหรอให้มันตายได้ให้มันเจ็บได้เราเจ็บก็เราก็พิจารณาว่ามันเป็นแค่ฐานปีเจ้าขาขาจะไปหายก็หายไม่หายก็เรื่องของมันะไม่ทุกข์กับมัน ไม่ทุกกับร่างกายไม่หลงรักร่างกายของใครนะไม่เห็นว่าสวยบ้างงามนะเห็นตับตายไสพุงเขาลนะเห็นโครงก็ดูเขาก็ยังก็พิจารณาเราเห็นขอเราเราก็เวลาเราก็น้อมเห็นคนอื่นเราก็น้อมต้องของเราด้วยของเขาด้วยกายในกายนอกกายในก็กายเรากายนอกก็กายขอยงคนอื่นดูให้มันเหมือนกันหมด ต้องพิจารณาให้ให้รอบคอบสามสิบสองมีทุกคนเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราต้องไปโยงกับอะไรไมเจ้าคะกลายเป็นดินน้ํานมไฟไปโยงกับตายรักโยงกับนิจังอันนิจังก็ไม่เที่ยงอันนิจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอนาตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ํานมไฟเป็นอาการสามสิบสองผมเป็นเราบ้าขนเป็นเราบ้างอ่านั่นแหละพิจารณาให้ แล้วก็ปล่อยวางมันไม่ทุกข์กับมันมันจะเป็นอะไรก็ห้ามมันไม่ได้มันอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ต้องให้มันไปถ้าเราทำได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายนะพิจารณาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันจะกลับมาคิดว่าเป็นตัวเราของเราเดี๋ยวจับมองว่าสวยว่างาม นี่คือการพิจารณาร่างกายอาการ32มีใครอยากจะถามามั้ยมาพักอยู่ที่วัดเลยเนล้วมาปฏิบัติธรรมที่้บบยานสวันนี้เจา่ลเติงเลยเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเหรออ๋อมากับาจารย์เป็นครั้งที่สองอรัครั้งที่สองนะมาจากที่ไหนองค์การหาชจังหวัดชลบุรีเจ้าค่ะอ๋ะอ ติดตามที่บ้านก็ได้นะมีถ่ายทอดสดทุกวันทางเ c e b o o k กับ y o u t u ู e มีคำถามก็ส่งข้อความเข้ามาได้ตามที่ถ่ายทอดสดนี่เดี๋ยวจะตอบคำถามทาั้งที่บ้านก็ส่งเข้ามาคาถามจากคุณเกลื่เรื่องการพิจรารณาความตายควรพิจรารณาอย่างไรให้เห็นผลหรือต้องภาวนาอย่างไรครับ ก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีร่างกายของใครที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพิจารณาไปจนกระทั่งจิตมันไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่ถ้ายอมรับแล้วก็ต้องไปทดสอบดูว่ายอมรับจริงหรือไม่รับจริงไปอยู่ที่น่ากลัวคนเดียวดูด้ อ, อยู่ได้ไห อยู่ที่ที่ทำให้เกิดความกลัวตายแล้วอยู่ได้หรือเปล่าดับความกลัวตายได้หรือเปล่าถ้าดับความกลัวตายได้ก็รู้ว่ายอมยอมตายปล่อยวางร่างกายได้ตอนนี้อยู่ที่บ้านปลอดภัยพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายมันรับได้แต่มันรับจริงหรือไม่รับจริงรรับแบบหลอกๆต้องไปทดสอบดูถ้ารับจริงก็ต้องไปหาที่อยู่ที่น่ากลัวดู หรือว่ายัางจะกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ากลัวแสดงว่ายัางยังรักไม่ได้ก็ต้องต้องทำให้มันรักให้ได้ต้องยอมตายถ้ายอมตายแล้วมันก็จะหายกลัวยอมเจ็บแล้วมันก็จะหายกลัวเวลานั่งแล้วเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าลุกอย่าขยับเพราะเวลาเจ็บข้ได้ป่วยมันขยับมันก็ไม่หายใช่ไหมเงินหัด หัดอยู่กับความเจ็บของร่างกายไปให้ได้ถ้าอยู่ได้แล้วต่อไปใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายคำถามจากผู้ไม่ประสบออกนามคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดแต่พอตัวเองป่วยหนะักไม่ได้ทำงานทั้งที่ไม่กลัวตายอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นแต่เงินที่จะใช้รักษาตัวลดลงนิสัยไม่ยอมเ อ, อ่ยขอความช่วยเหลือใคร แต่ก็เสียใจที่พี่น้องไม่ช่วยเราอย่างที่เราเคยช่วยเขาแบบนี้คือมิจฉาทิฐิหรือไม่คะก็กิเลสเนี่ยังอยากเขายังมีความอยากในใจอยู่ขนไหนก็บอกว่ายอมตายแล้วเมื่อยอมตายแล้วจะมาอยากให้เขามาช่วยเหลือทาไมตายก็ตายเลยตายอยากมีศักดิ์ศีตายแบบไม่ขอร้องใครขอร้องความช่วยเหลือของใครช่วยเหลือเขาก็ช่วยไม่ได้ถึงเวลาจะตายต่อให้มาเสด็จทีมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ต่อให้มี หมอเก่งขนาดไหนวิเศษขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้มันต้องตายอยู่ดีแต่เราพิจารณาความตายแล้วเรายอมรับความตายแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใครจะมาช่วยไม่ช่วยไม่อยากให้มาช่วยช่วยแล้ววุ่นวายเปล่ารบกวนรบกวนความตายเราจะตายอย่างสงบก็ต้องมีคนมาคอยรบกวนให้กินยาให้ฉีดยาให้มันยุ่งวุ่นวายไปเปล่ากินก็ตายไม่กินก็ตายกินไปทำไมา ฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายฉีดไปทำไมให้มันเจ็บไปเปล่าเปล่าผ่าทำไมถ้าผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายอย่าไปผ่าไม่ต้เสียเวลาคนที่พิจารณาความตายแล้วปล่อยวางได้จริงๆแล้วเขาจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นใครจะช่วยไม่ช่วยการช่วยเหลือก็ไม่เคยหวังผลตอบแทนจากการช่วยเหลือถือว่าเป็นการให้เป็นการสร้างบา ร, รมีสร้างบุญสร้างความสุขใจ ถ้าไปอยากได้เขาปั๊บนี่ความสุขใจมันจะหายไปความทุกข์ใจจะมาแทนที่ทันทีน้นคนที่ทำบุญจริงๆแล้วจะไม่ปรารถนาการผลตอบแทนจากใครเวลาทำไปแล้ว<ม>ไปอยากแล้วไม่ได้มันจะเสียใจ<ม>บุญที่ได้ความสุขใจที่ได้จะหายไปอ่ะต่อไปคาถามจากคุณอัศนีพร การดูลมหายใจเมื่อมีเวทนาเราจะต้องตามดูเวทนาใช่ไหมคะเมื่อได้ยินเสียงก็ต้องตามฟังเสียงนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูลมไปเรื่อยๆดูลมอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าดูดูแล้วจะเสียสมาธิเราจะไม่สงบเดี๋ยวไปเห็นเวทนาเดี๋ยวก็ไปวุ่นวายกับเวทนาเดี๋ยวได้ยินเสียงก็จะไปวุ่นวายกับเสียงถ้าอยู่กับลมแล้วมันไม่วุ่นวายลมมั น, เ ป, นมเป็นอารมณ์กลางๆไม่ มันไม่มีทําให้เราวุ่นวายแต่ไปฟังเสียงเดี๋ยวเกิดเขาด่าเราขึ้นมาก็วุ่นวายขึ้นมาไปเจอเวทนาเดี๋ยวก็เกิดความอยากให้เวทนาหายก็ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาในเวลานั่งสมาธินี่ให้ดูลมอย่างเดียวถ้าใช้ลมเป็นอารมณ์ถ้าพุทธโธก็พุทธโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่มาปรากฏให้เห็นในขณะที่นั่งอยู่คัำถามจากคุณคาร์เส ผมเป็นคนไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเป็นระยะเวลานานๆแต่เป็นคนที่เข้าวัดทำบุญปกปติครับเลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าจะหัดเริ่มนั่งสมาธิสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งนานๆอย่างผมควรจะนั่งอย่างไรระยะเวลาเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนดีที่สุดครับก่อนจะมานั่งนี่ต้องมีสติก่อนต้องหัดหัดสร้างสติขึ้นมาก่อนฝึกสติด้วยคำบิกรรมพุทโธ ตั้งแต่ตลืมตาขึ้นมาก็ให้ท่องพุโทโธไปเลยพอลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พุโทโธไปเลยแล้วก็เข้าอน้ำอาบน้ำอาบเท้าน้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จำเป็นจริงๆเช่นวันนี้จะต้องไปทำอะไรมีธุระกับใครพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเตรียมตัวไปทำงานฝึกสติไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไป ถ้าเรามีพุทโธแล้วเวลาเรานั่งมันก็จะสงบนี่เวลานั่งเราไม่ไปกำหนดเวลาว่าจะนั่งนานไม่นานับเรากำหนดสติถ้ามีสติแล้วนั่งได้นานนั่งได้สบายมีความสุขถ้าไม่มีสตินั่งเดี๋ยวเดียวก็ทนไม่ได้ก็จะลุกขึ้นมาเวลานั่งก็หาเวลาที่ว่างว่างเมื่อไหร่นั่งเมื่อนั้นเลยแทนที่จะไปดูหนังสือพิมพ์แทนที่จะไปนั่งกินกาแฟนั่งสมาธิดีกว่า พยายามายเวลานั่งให้มากๆยิ่งนั่งมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งสงบมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งชํานาญมากขึ้นไปเป็พยายามนั่งอย่าไปพยายามตัดกิจกรรมต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องทําให้หมดไปดูกาแฟดื่มกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์อวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองเล่นไล่กันของพวกนี้อย่าไปเสียเวลามานั่งพุโทโธพุโทโธกันไปดีกว่า แล้วจะจิตจะสงบนั่งได้นานเท่าไหร่ก็นั่งไปถ้าทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินจเจริญสติต่อลุกขึ้นมาทำงานแล้วจเจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธต่อไปสลับกันไปคำถามจากนางสาวจริงใจเมื่อนั่งวิปัสสนาแล้วเคยรู้ทันจิตโกรธก็รู้ว่าโกรธเศร้าก็รู้ว่าเศร้าแล้วไม่เอาใจไปเกาะเกี่ยวได้ แต่เมื่อปฏิบัติมาเรื่อยๆอยู่อยู่ความโกรธหรืออารมณ์ต่างๆทวีความรุนแรงขึ้นเปรียบเหมือนลิงเคยเป็นลิงที่สงบเสงเงียมจะอยู่แต่อยู่มากลายเป็นลิงที่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สงบจะแก้ไขสภาวะนี้อย่างไรเจ้าค่ะเราก็ต้องสร้างกําลังหยุดก่อนนะสร้างสติก่อนแสดงว่าสติที่เรามีอยู่มันหยุดได้แค่ระดับตัวเล็กๆพอเจอตัวใหญ่ขึ้นมานี่มันสู้ไม่ไหว ก็ต้องมาพุโทโธพุธโทโธมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนแล้วถึงค่อยไปหยุดมันต่อไปต้องเพิ่มกาลังเพิ่มกําลังหยุดกําลังหยุดก็คือสมาธิสติเนี่ยพุโทโธพุธโทโธถ้ามีกําลังมากก็จะหยุดอารมณ์ต่างๆได้มากขึ้นไปคำถามจากคุณมันชะนีเวลาที่เราอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวร บุญจากการใส่บาตรกับสังฆทานกับบุญจากการภาวนามันต่างกันไหมคะต่างต่างกันเพราะว่าบุญจากการภาวนายังไม่เกิดถ้านั่งจิตยังไม่รวมมันยังไม่เกิดเหมือนปลูกต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลไม่มีผลที่จะไปกินกันเราจะไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้ไงได้แต่ต้นเวลาปลูกต้นไม้ก็ได้แต่ต้นก็ถ้าจิตมันไม่รวมเป็นสมาธิมันก็ยังไม่มีผล แล้วสองการอุทิศบุญในพระเจ้าก็สอนให้อุทิศด้วยการทําทานอย่างเดียวไม่ได้ให้อุทิศด้วยวิธีอื่นพอพระทเจ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสที่จะหลอกไม่ยอมจ่ายเงินไม่ยอมเสียเงินจะอุทิศด้วยการรักษาศีลจะอุทิศด้วยการนั่งสมาธิตัง้งๆที่ศีลก็ไม่บริสุดสมาธิก็ไม่มีแต่กิเลสมันหลอกนะเพราะมันไม่อยากจะเสียเงินพระเจ้าบอกให้อุทิศบุญด้วยการ ทำทานเสียเงินไปแล้วได้บุญทันทีพอทำบุญเนี่ยได้ความสุขใจแล้วเอาความสุขใจนี้ส่งไปได้เสีนี่ยังไม่ได้บริสุทธิ์เลยเดี๋ยวก็โกหกกันแล้วเดี๋ยวก็ดื่มเหล้าแล้วแล้วจะเอาอะไรไปอุทิศนั่งสมาธิก็นั่งแล้วก็ยังไม่สงบพุ่งสร้างแล้วจะเอาอะไรไปอุทิศงั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญทาทานไปเถอดอย่าไปเสียดายสตังเลยไม่กี่สตงัง ทำไปตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทําไปคาถามจากคุณวิไลเพื่อเล่าว่าขณะคุยกับคนอื่นเขาพุทธโทในใจไปด้วยปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมคะเวลาคุยกันก็ต้องฟังเลยทาไปพุทธโทมันก็ไม่รู้เรื่องที่ให้พุทธโทในเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วไปคิดนู่นคิดนี่ให้หยุดความคิดนั้นแต่เวลาทำงานให้อยู่กับงานที่เราทาอยู่ กำลังอาบน้ําก็ต้องคอยดูว่าเรากําลังแป่งฟันหรือล้างหน้าหรือเพราะอะไรตัวไปให้รู้ไปกํากับไปกับการพูดโทรรู้ควบคู่กันไปแต่ถ้าเวลาคุยกันนี้ถ้าพูดโทรแล้วฟังก็โดยฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องหยุดพูดโทรตั้งใจฟังไปให้มีสติอยู่การฟังไปแทนพอหยุดคุยกันแล้วก็กลับมาพูดโทรต่อถ้าเราอยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่ต้องพูดโทร ใจเราเฉยๆรู้เฉยๆไม่ได้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ต้องพุดโถอพุดโถเฉพาะเวลามันเริ่มพุง่งมันเริ่มเพอ้อเจอ้อขึ้นมาเริ่มเพอ้อฝนันเริ่มคิดไปแต่เริ่มที่ไร้สาระาต่างๆก็หยุดมันอันนี้เป็นขั้นฝึกสตินะแต่ถ้าขั้นหลังจากได้สติได้สมาธิแล้วเราก็คิดได้ละ แต่นี้ต้องบังคับให้มันคิดอย่างที่เมื่อกี้สอนอยมให้คิดที่ร่างกายที่ว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำนมไฟเป็นอาการสามสิบสองอย่างนี้ก็เป็นขั้นปัญญาแต่ต้องได้สมาธิแล้วจิตต้องรวมแล้วออกจากสมาธิแล้วค่อยมาคิดทางนี้แต่ถ้ายังไม่ได้สมาธิจิตยังไม่นวมฝึกสติไว้ก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนอย่าให้คิดทางปัญญาคิดแล้วมันจะฟุง้งมันไม่สงบ ตอนแรกเราต้องการให้มันสงบก่อนเราจึงไม่คิดทางปัญญานอกจากคิดทางปัญญาแล้วมันสงบได้ก็คิดได้เช่นถ้าเราคิดแต่อาการสาสิบสองท่องไปตะวันแทนพุทโธก็ได้ถ้าเบื่อพุทโธก็เอาการสามสิบสองแทนบัางก็ได้สลับกันผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อไนกระดูกเนี่ยท่องมันไปอย่างนี้ก็แทนพุทโธได้คําถามจากคุณปอลเมธ เคยได้ยินคำว่าบุญกับวาสนาอยากจะถามอาจารย์ว่าบุญคืออะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างบุญและวาสนาคืออะไรแล้วเราสามารถสร้างวาสนาได้อย่างไรครับลองไปหาค้นหาดูบ้างเนี่ยคาตอบตอนนี้มันใน Google ก็มีเยอะแยะไปคำถามจะคุณตองลูกชายโยมเป็นลูกครึ่งอังกฤษพูดไทยไม่ได้เวลานั่งรถโยมโยมจะเปิดธรรมะของพระอาจารย์ให้ฟัง เขาก็จะถามแสดงว่าเขาเริ่มสนใจเราควรกระตุ้นอย่างไรต่อคะเขาทั้งสามาก็สัารวมแสดงว่าเขารับรู้ใช่ไหมคะก็ให้เขาไปฟังไปดูใน YouTube ก็ได้มีภาษาอังกฤษที่เราเทศอยู่ในช่อง YouTube มมนะอิน n ังกฤษเนี่ยให้เขาเข้าไปเปิดฟังดูก็ได้ถ้าเขาอยากจะรู้ว่าฟังอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ตอนนั้นนิยมไปดาวน์โหลดมาใส่เครื่องให้เขาฟังก็ได้ คำถามจากค <c oughs> ุณจักเมื่อผมมีอาชีพเสริมในการซื้อขายวัตถุองคลพระเครื่องการทําอาชีพนี้บาปหรือไม่ครับหากเป็นบาปหรือเป็นอกุศล <c oughs> ผมจะเลิกทาทันทีแต่ยังไม่เคยได้รับคาแนะนํามาก่อนครับมันไม่บาปหรอกมันเพียงแต่ว่ามันอาจจะพาให้คนเข้าใจผิดได้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษนะ แต่ถ้าขายเพื่อให้เป็นเหมือนกับเป็นการมีอะไรระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ไม่เสียหายพระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ได้ให้เราหลงคิดว่าเป็นพระเจ้าที่จะปลุกจะเสกจะเป่าที่จะขออะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจผิดได้เป็นมิจฉาทิฏฐิไป ถามจากคุณบุญจันทร์ทำไมเวลานั่งสมาธิแล้วจะเกิดปวดหัวปวดตรงต้นคอตลอดการนั่งเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่นั่งไม่รู้สึกเบาเลยค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะเป็นกิเลสไงกิเลสมันไม่ชอบนั่งเฉยๆ เ, เวลานั่งเฉยๆมันก็จะสร้างอาการรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเวลานั่งดูทีวีนั่งดูหนังนี่ไม่เกิดอาการเพราะมันชอบเวลาเราทาอะไรเราชอบมันไม่รู้สึกนะ ลองเอาอาหารที่โยไม่ชอบให้มากินดูเลยกินลงไหมปิดอัดขึ้นมาทันทีกินไม่ลงกินไม่เข้าทั้งที่ตัวกินมันไม่รู้เรื่องร่างกายไม่รู้มันกินอะไรแล้วไอ้ตัวที่ที่รู้ไม่ได้กินจิตไม่ได้กินอาหารใช่ไหมร่างกายเป็นคนกินแต่ร่างกายไม่รู้ว่ามันกินอะไรเอาขี้ให้มันกินมันยังกินเลยแต่จิตมันไม่รู้ว่าเป็นขี้มันกินไม่ลง อันนี้ก็เหมือนกันเวลาให้มันนั่งเฉยๆกินเหมันก็กินไม่ลงกินไม่เข้ามันก็เลยเกิดอาการอืดอัดขึ้นมาเหมือนท่านกินขี้งั้นนะคำถามจากคุณสายทานหากคนที่ไม่มีวาสนาจะมรรลุธรรมในชาตินี้การภาวนาจะไม่ได้ความสงบถึงอัปปนาสมาธิหรือเปล่าคะ คำว่าวาสนาไม่มีมันไม่เป็นปัญหาหรอกไม่มีก็สร้างได้เหมือนน้ามันหมดก็ไปเติมได้ไม่ใช่เลยเวลารถน้ํามันหมดคนมาบอกไม่มีน้ํามันแล้วถ้าคนไม่เติมรถมันก็วิ่งไม่ได้แค่นั้นเองเวาน้ำมันหมดคนไม่เคยบอกน้ํามันหมดแล้วไปไม่ได้ใช่ไหมพอน้ำ ม, มันหมดคุณก็รีบเข้าปั๊มเลยใช่ไหมเข้าปั๊มไปเติมพ อ, ตอเติมเต็มถังมันก็วิ่งต่อไปได้แล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านอันนี้ก็แบบเดียวว่าสนาก็ ค, คือน้ํามันเนี่ยไม่มีก็เติมมันซิเติมมันปั๊บเดี๋ยวมันก็ถึงเอง วาสนาที่เราต้องเติมก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามตัวเนี่ยเติมมันเข้าไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นตายลักบให้เห็นอสุภาพเดี๋ยวมันก็ถึงบ้านถึงนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่วาสนาไม่ไม่มีวาสนาแล้วไปไม่ได้แล้ไม่ไม่มีวาสนาเติมได้สมัยนี้มีที่เติมวาสนาเยอะแยะตามวัดตามวาต่างๆ ศูนย์ปฏิบัติธรรมม่เยอะแยะไปเติมมาใสิศีลสมาธิปัญญาไม่ยอมไปลักว่านั่งบนไม่มีวาสนาคำถามจากคุณสิริถ้าเรามีความชื่นชอบกับใครเป็นคนพิเศษจนรู้สึกเป็นทุกข์แต่มีความจนเป็นต้องเจอกันในชีวิตประจำวันจะต้องวางกายวางใจอย่างไรเจ้าคะจึงจะไม่ทุกข์กพิจารณาความตายเขาบ้างเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พิจารณาตับไตไส้พุงก็มั่พิจารณาอาการสาสิบสองพิจารณาโครงกระดูกอะไรต่างๆเหล่านี้พิจารณาอุจจาระปัสสวะของเขาบ้างก็ได้พิจารณาเห็นเหล่านี้แล้วอาการผูกพันอาการละกาการชอบมันก็จะไม่มีแล้วก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายคำขกุญพีโกบุญจากสมาธิแค่งูแลบลิ้น มากกว่าบุญจากพระถือศีลสองรอยี่สิเจ็ดข้อนานหนึ่งร้อยปีถามว่าบุญกับสมาธิแบบนี้มีลักษณะอย่างไรคะก็เหมือนแบงสิบกับแบงร้อยมันลักษณะก็ต่างกันอย่างนั้นอ่ะมันก็แบงเล่แบงสิบก็เป็นแบงสิบไม่มีแบงยี่สิบนะแบงยี่สิบกับแบงร้อยอันไหนมันจะมีราคามากกว่ากันสมาธิก็เหมือนแบงร้อยศีลก็เหมือนแบงยี่สิบเนี่ย มันก็ต่างกันตรงนั้นความสุขที่ได้จากการรักษาศีลมันก็แค่ยี่สิบบาทความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิก็ร้อยบาทคุณจะเอาไหนดีระหว่างแบ่งสิบแบงยี่ิบกับแบ่งร้อย้ายื่นให้คุณสองใบนี้คุณจะเลือกไไเอาใบไหนเะอาใบร้อยใช่ก็ทำไมไม่นั่งสมาธิกันคำ ถ, ถามจากคุณแม่นาะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทุกวันแต่ไม่ได้ลงไปไหว้สารเจ้า แต่ตอนที่แผ่เมตตาเราอุทิศให้แล้วแบบนี้เทวดาเจ้าที่จะได้รับบุญกับเราหนึ่งไหมคะจาเป็นต้องไปลงไปไหว้เอาของไปถวายหรือเปล่าคะหนึ่งมันไม่มีหรอกเทวดาเจ้าที่เนี่ยที่จะม า, ร, ารับเมตตงเมตตาอะไรจากเราสองการแผ่เมตตาก็ไม่ได้แผ่เป็นเพียงแต่คิดว่าจะแผ่คิดว่าจะให้คุณร้อยล้านแต่ไม่เคยหยิบร้อยล้านให้เขาทันทีมีแต่คิดว่าจะให้ขอให้คุณมีร้อยล้านพันล้าน แต่ไม่เคยหยิบร้อยล้านพันล้านให้เขาแล้วจะไปแผ่อะไรให้เขาก็แผ่แต่ความปรารถนาดีเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาที่แท้จริงการแผ่เมตตาก็เนี่ยตอนเช้าใส่บาตรให้พระเนี่ยแผ่เมตตาแล้วพระมีข้าวกินแล้วให้ความสุขกับพระหรือจะให้ขอทานก็ได้หรือให้กับญาติพี่น้องก็ได้มีพี่น้องไม่สบายเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ไปดูแลเขาอันนี้แหละแผ่เมตตา ไม่ใช่มานั่งแผ่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็แผ่ให้ใครก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องงมงายเรื่องที่ไม่มีสาระเรื่องที่มีสาระกับไม่ยอมทำกันพอให้แผ่จริงๆไม่ยอมแผ่เวลาใครทุกตกทุกได้ยากเดือดร้อนไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนี่แหละเรียกว่าเป็นการแผลเมตตาในเวลาใครก็ททำให้เราโกรธเราเกลียดเราก็อภัยให้เขาไม่ถือโทษกดเครื่องเขาเอาเวลาหงุ แต่ว่าไม่ไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอปัยยาปชาโหนตุแปลว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ไปทุบตีเขาเวลาเขาทำให้เราโกรธก็ไม่ไปร่างแคนไปทำลายเขาสุขอะไรอันนีคาโหนตุมีความอยากให้เขาพ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจถ้าเขาไม่สบายอยากให้เขาพ้นจากทุกข์กายก็พาเขาไปหาหมอ ถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็พาเขาไปโรงพยาบาลอันนี้เน่ยเรียกว่าแผ่เมตตามันต้องแผ่ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่แผ่ด้วยเพียงแต่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็สวดไปสัพเพสัตตาเอเวลาหหนตุมันมันแผ่แต่คำสวดก็้าใจไหมแต่ตัวเมตตามันไม่ไปมันไปแต่คําสวดการสวดนี้สวดเพื่อเตือนใจสอนใจให้เราว่าวิาวธีแผ่เมตตามีอะไรบ้าง เอาเวลาโหนตุแปลว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันเอาปยาปชาโหนตุแปลว่าอย่าเบียดเบียนกันอนิคารโหดตุแปลว่าให้เขาพ้นทุกข์พ้นภัยกันสุขีอัตานังปริหารันตุให้เขามีความสุขรักษาตนนีอันนีเน้เป็นเป้าหมายของการแผ่พอถึงเวลาเราก็ต้องให้ความสุขกับเขาซื้อขนมมาฝากเขาเขามีความสุขไหมนั่นแหละ อยาให้เขามีความสุขก็ทำอะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุขอย่าไปด่าเขาอย่าไปทุบตีเขาอย่าไปจองเวงจองกรรมกันอันนี้คือการแผ่ต้องแผ่กับคนที่ที่เราเกี่ยวข้องด้วยหรือคนที่เรามาสัมผัสอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้ขึ้นรถเมยอย่างนี้เห็นเห็นคนที่เขาแก่กว่าเราชรายืนอยู่แล้วก็ลุกให้เขานั่งเลยอันนี้ก็แผ่เมตตา สมัยก่อนเราเป็นเด็กๆขึ้นดอนเม่นี่ผู้ใหญ่เขาเห็นเด็กขึ้นมาเขาก็นุกให้นั่งนะสมัยก่อนนี่ผู้ชายเขาจะไม่นั่งนะถ้ามีผู้หญิงมีเด็กขึ้นมาเนี่ยเขาจะลุกขึ้นทันทีเลยสมัยนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> สมัยนี้แผลไม่ตาไม่เป็นชอบไปแผลคนเดียวไงชอบไปนั่งสวดมนต์แล้วก็แผลพอามาอยู่ในสังคมแล้วไม่มีใครแผลกันแผลผิดที่เขา้าใจไหม เราอยากจะแผ่ให้ไม่แผ่ในสังคมเป็นลาที่เรามาอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าสอนให้เราแผ่เพราะเราอยู่เป็นมนุษย์ในสังคมที่นั่งที่นั่งสวดมนต์นี้เป็นการสอนใจเป็นเตือนใจเพื่อเป็นการทําใจให้สงบการสวดแผ่เมตตาก็เป็นอุบายทําใจให้สงบหรือสอนใจให้รู้วิธีแผ่แต่ไม่ใช่เป็นการแผ่ผู้ไม่รู้มากี่ครั้งมันก็จะแผ่กันแบบนี้ พอมาอยู่ในสังคมก็ตีกันด่ากันรถชนกันหน่อยก็ โ, โหยเถียงกันปากเปียกปากฉีกชาวบ้านเดือดร้อนรถติดยาวเป็นขบวนถ้าถ่ายเมตตาก็เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรของใครของมันคุณมีประกันเรามีประกันก็ไปก็แล้วกันหรือถ้าถ้าคุณไม่มีคุณเสียหายเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเราไปเดี๋ยวเราไปจัดการหรือเราถับรถไปจอดข้างซอยไปคุยกันถนนเขาวิ่งไปได้ไม่นั่งจอด ขวางทางก็ชาวบ้านเดือดร้อนเปล่าๆอันนี้ก็แผ่เมตตาอย่างคำถามค <c oughs> ุณพัทลาพงอยากขอเรียนถามพระอาจารย์ถึงวิธีการแก้ไขหรือขจัดความที่เียดฐานในการปฏิบัติธรรมให้มีวินัยหน่อยครับอ๋อก็ต้องมังครับตัวเองให้ขยันเนี่ยต้องมีตารางถ้าเราไม่มีตารางมันก็จะเออระเหยลอยลม เราต้องกําหนดว่าเวลานี้เราถึงต้องไปเข้าคอร์สกันไงเวลาไปไปปฏิบัตินี่ยก็มีเวลาเวลาเดินกี่โมงว่ายพระสวดมนต์กี่โมงนั่งสมาธิกี่โมงเดินโยมกล ม, มกี่โมงพักกินอาหารกี่โมงเราก็ต้องมากําหนดเวลาของเราไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามากําหนดให้เราหรอกเราพยายามทำให้ทําตามที่เรากําหนดไว้มันก็จะมีความขยันขึ้นมาเอง มันขี้เกียจก็ดัดนิสัยมันยาให้มันกินข้าวทั้งวันอย่างนี้มันก็ขยันเองต้องมีบทลงโทษนะคำถามจะคุณชบาบางครั้งภาวนาพุทโธไปตลอดวันคล้ายเป็นการสะกดจิตตนเองขอพะอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะก็ดีไงสะกดให้สงบน ไ, ไม่ได้สะกดให้ฟุ้งซ่านดีก็ปล่อยให้มันคิดเวลาคิดก็มันก็เป็นการสะกดจิตเหมือนกันแต่สะกดให้ฟุ้งซ่าน สะกดให้โลภสะกดให้เครียดไอเดียงั้นชอบพอสะกดให้สงบให้มีความสุขกับไม่ชอบอแปลกนะมนุษย์เรานะของดีไม่ชอบชอบของไม่ดีกันถ้าคิดฟุ้งซ่านทั้งวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกับชอบกันคำถามจากคุณทองการทำบุญทำกุศลที่สูงสุดคือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะ มันสูงสุดเปริญญาเอกแต่ก่อนจะไปเปรัญญาเอกไปเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนเถอะเราต้องเริ่มจากจากบุญที่ต่ำขึ้นไปสู่บุญที่สูงเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มจากอนุบาลไปสูปส่ปริญญาเอกไม่ใช่ว่าเปริญญาเอกเป็นวิชาความรู้ที่สูงสุดก็ไปเรียนเปริญญาเอกเลยโดยที่กอไก่ ai, ขอไข่ ย, ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันต้องเริ่มจากต่าไปหาสูงทาทานให้ได้ก่อน ยังขี้เหนียวอยู่เปล่ายังตะหนีอยู่เปล่ายังโลภอยู่เปล่าอเนี่ยการทําทานก็เพื่อกําจัดความตัหนีความขี้เหนียวความโลภอยากได้ของคนอื่นทําทานแล้วมันจะทําให้ไม่โลภแล้วก็จะทําให้รักษาศิลได้ตอนนี้รักษาศิญได้หรือยังรักษาศิญห้าได้แล้วรักษาศิญแปดได้หรือยังรักษาสิญแปดแล้วนั่งสมาธิได้หรือยังนั่งนั่งสมาธิได้แล้วเออค่อยไปทางปาัญญา ถึงจะเป็นปัญญาจริงถ้าปัญญาตอนนี้เป็นปัญญาหลอกไปนั่งคิดเอาเองคิดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คิดแล้วกิเลสตัณหาก็ไม่ตายไม่เกิดประโยชน์อะไรคาถามจากคุณปลายฟ้าเวลาโยมนั่งสมาธิโยมใช้วิธีดูลมหายใจทำไมโยมแทบจะไม่เคยรู้สึกถึงอาการปิติแต่กลับรู้แต่กลับเป็นการรู้เฉยๆไม่มีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น โยมเคยอ่านเจอว่านั่งสมาธิชานหนึ่งจะรู้สึกปิติการนั่งสมาธิของโยมาถูกทางไหมคะปิตินี้มันอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่ไม่สำคัญบางทีมันเลยมันเลยไปเลยก็ได้ก็ไม่ต้องสนใจขอให้มีสติให้รู้อยู่ให้จิตมันนิ่งให้มันสงบก็แล้วกันคำถามจากคุณทองอุสาหการโมเมาในรสชาติอาหารทาให้เป็นทุกข์ในตอนนี้เป็นปัญหาในการดาเนินชีวิต จะต้องมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะก็อาหารที่เราจะกินรวมกันในชามแล้วก็คลุกมันกินเหมือนหมากินเหมือนให้ข้าวหมากินเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องไม่ใช่เหรออาหารต่างๆที่มันจะไปรวมในท้องก็ให้มันรวมในในชามก่อนแล้วก็คลุกมันเหมือนกับอาหารที่อยู่ในท้องแล้วค่อยตักกินเข้าไปต่อไปมันก็จะไม่มีปัญหาการรสชาติของอาหารกินแบบกินยาอย่าไปกิน อย่าไปกินแบบกิเลสกินแบบกินยาอยู่เพื่อกินอย่ากินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินถ้ามันมีปัญหาก็ต้องเอาอาหารมาคุกกันของขาวของหวานผลไม้ใส่ไปคุกกันแล้วก็ตักกินเข้าไปกินให้มันอิ่มเท่านั้นเองกินดับความหิวไม่ได้กินเพื่อรสติชของอาหารเหมือนกินยายาที่หมอให้มาเราเลืออเข้าไปต้องเป็นสีเขียวสีแดงหมอให้ยาอะไรมาก็ ยัดใส่ปากคืนๆเข้าไปอาหารนี่ก็เป็นเหมือนยาก็ยัดใส่ปากคืนๆเข้าไปก็แล้วกันมันจะรสชาติยังไงก็เรื่องของมันเขากินแล้วให้มันหายหิวก็พอคำถามจากคุณบางอ่อนการอยู่ร่วมกับคนที่เขาทำสิ่งไม่ดีเราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็เรื่องของเขาส่ตัวใครตัวมันใครทำดีก็ได้รับผลดีไปใครทำชั่วก็รับผลชั่วไป เวลาตำรวจจับก็ไม่มาจับคนที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรอกเขาก็จับแต่คนที่ผิดกฎหมายไปเท่านั้นเองคำถามจากคุณธั ญ, ญรัตน์ครอบครัวทำบุญทำดีมาตลอดแต่ไม่รู้กรรมอะไรญาติมาโกงจนหมดตัวกำลังจะถูกยึดแล้วบุญที่ทำ ม, มาทำไมไม่ส่งผลอะไรเลยคะเมื่อบุญที่ทำวันนี้เหมือนปลูกต้นไม้วันนี้บางทีต้องใช้เวลามันกากาที่จะออกดอกออกผล แต่ผลของบาปที่เราทําไว้เมื่อชาติก่อนมันมาออกดอกผลตอนนี้ก็ได้ชาติก่อนเราเคยไปขโมยเงินขโมยทองเข้ามาชาตินี้เข้าเลยมาเอาเงินทองของเราไปเกินไปค่ะคำถามจะคุณซอซอการกินเจและมังสวิรัติอันนี้สมต่างกันอย่างไรคะก็เป็นขี้เหมือนกัน <c oughs> กินแล้วก็อิ่มเหมือนกัน <c oughs> อ้าวจริงไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ต่างกันหรอเออ ถ า, ถามว่าถ้าเจอผัวเนี่ยทะเลาะกันเราควรทําอย่างไรครับก็เดินไปไกลๆเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องของชาวบ้านเราอย่าไปยุ่งนอกจากถ้าเขาทาร้ายกันก็ไปห้ามได้ก็ห้ามอย่าให้เขาทาร้ายกันแต่ก็คุยด่ากันทะเลาะกันก็ไม่ถ้ายังไม่ถึงกับทําร้ายร่างกายกันก็ปล่อยก็ไป แต่แล้วเขาทาร้ายร่างกายกันก็อาจจะต้องไปหาคนมาช่วยแยกกันออกกันก่อนเพราะไม่อยากให้เขาเจ็บตัวกันถ้าเราทำไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งดีกเดี๋ยวเจ็บตัวคาถามจากคุณมัญชรีพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาอสุภะแล้วรู้สึกรับได้กับสิ่งที่มันเป็นมากกว่ารู้สึกเบื่อในร่างกายของเรามันเป็นปกติหรือเปล่าคะ ก็แล้วแต่ว่าเบื่อแบบไหนเบื่อแบบมีความสุขหรือเบื่อแบบมีความทุกข์ถ้าเบื่อแบบมีความทุกข์ก็ยังเป็นกิเลสอยู่ถ้าเบื่อแบบมีความสุขไม่กังวลกับร่างกายเอไม่ต้องกังวลกับเรื่องวิภา ว, วิผมโกนหัวมันทิ้งเลยโกนผมทิ้งไปเลยแล้วมีความสุขสบายใจอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นธรรมแต่ถ้าโกนหัวเรายัางวิตกกังวลยังไม่สบายใจแสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่ จากคุณนาราพูดน้อยกินน้อยทําความเพียรคืออะไรครับอ่าก็เืองใหญ่ม่บอกหมดทั้งเลยพูดน้อยก็อย่าไปพูดมากกินน้อยก็อย่า ก, กินมากะทำความเพียรก็อย่าขี้เกียจให้ขยันเดินโยงกรมนั่งสมาธิให้ขยันพุทโธพุทโธไปเี่ยเรียกว่าทำความเพียรมดแล้วเลยวันนี้ขอความร่วมมือในการส่ง ่าวาวไงขอให้เป็นคําถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็นี่แหละเรื่องปฏิบัติถ้าไม่ใช่เรื่องปฏิบัติก็มักจะไม่ไม่ไม่ตอบหรือเรื่องที่ค้นหาได้ในยูคูกก็ก็ไปค้นหามั่งเดี๋ยวนี้เขียนข้อความที่เราอยากจะรู้เข้าไปถ้าหาแล้วมันไม่ได้คําตอบก็มาถามดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอยากจะพูดความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติดีกว่าอยากจะพูดเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพราะว่า อ, อ, อันนี้ไปหาในกูเกิลกไม่ได้หรอก แต่ของที่หาได้ในกูก็ค้นหาแล้วคำว่าวาทนาคำว่าบุญเนี่ยมันโผล่ขึ้นมา ม, นมันรู้มันรู้มากกว่าเราเสียเเรายอมรับแต่มันไม่รู้จักวิธีทําสมาธิไม่รู้จักวิธีทําจิตให้สงบเวลานั่งแล้วเจออะไรทําอะไรมันไม่รู้หรอกไปถามมันตอบไม่ได้ยังนี้ก่อนจะมาถามเราลองถาม Google ดูก่อนขั้นหนึ่งก่อนแล้วก็เรื่องที่มันเรื่อง ส, ย, สยศาสตร์เรื่องความเชื่องมงายต่างๆก็อย่ามาถามเลย ทางนี้สอนแต่เรื่องอทานศีลภาวนาเรื่องกรรมเรื่องปีบากรรมเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องมรรคผลนิพพานสอนแต่เรื่องราวเหล่านี้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆนี่เราไม่รู้เรื่องหรอเรื่องกินเจแล้วกินมังสวิรัตินี่เราก็ไม่รู้อ่ะถามต่อต้องถามจากคุณปาย ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังใช้ได้อยู่หรือคะเพราะเดี๋ยวนี้คนทำชั่วได้ดีอยู่สุขสบายคนทำดีโดนกักดขี่ตลอดคำว่าดีนี่มันไปคือความสุขใจคนทำความดีนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรวยจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตเข้าใจันะ้มคนทำความดีแล้วมีความสุขใจเนี่ก็ทำดีได้ดีคือความดีในใจความสุขใจคือความดี คนทําชั่วในต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตมันก็ทุกข์ใจมันไม่สบายใจยังเป็นความจริงอยู่เรามองผลผิดที่เราไปมองผลที่ลาบยศสรรเสริญว่าทําความดีแล้วจะต้องเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขมันไม่เจริญหรอกมันไม่แน่นอนคนทําความชั่วสมัยนี้จเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขกันมากกว่าแต่คนทําความดีก็มีการเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ยินดีกับ มันเพราะมันเป็นผลข้างเคียงหรือเป็นผลพลอยได้ผลที่แท้จริงผลหลักก็คือความสุขใจความสบายใจที่เกิดจากการทําความดีคําถามจากคุณทำทำชีวิตวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานเวลานั่งสมาธิเราชอบเวียนหัวแต่สักพักก็ดีขึ้นเกิดจากอะไรเจ้าคะก็เกิดจากกิเลสไงกิเลสไม่ชอบนั่งมันก็เลยทําให้เราเกิดอาการต่างๆขึ้นมา กอ็อย่าไปสนใจพยายามใช้ความอดทนทําไปเดี๋ยวพอใจไม่ไปคิดถึงมันมันก็หายไปพอใจมันมีสติมีสมาธิขึ้นมาเดี๋ยวอาการตา่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปคำถามจากคุณเบญจวรรณเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแต่รู้สึกคอแห้งกืนน้ำลายถือว่าออกจากสมาธิแล้วใช่ไหมคะเวลาเดินกืนได้ไม่เป็นไรแต่เวลานั่งไม่ให้กืน เวลานั่งนี้เราต้องการปล่อยวางร่างกายทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายนี่อย่าไปยุ่งให้เราอยู่กับใจอยู่กับพุโทโธพุทโธไปอยู่กับลมไปเพราะถ้าเราไปยุ่งกับร่างกายก็แสดงว่าเรากลับมาหาร่างกายการนั่งสมาธินี่เราต้องการแยกใจออกจากร่างกายดึงใจออกจากร่างกายแล้วเราต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจร่างกายจะคันจะเจ็บจะกืนน้ําลายน้ํำลายจะไหล ไ, ไม่ไหลช่างหัวมันปล่อยมันไหลไป ร่างกายจะเอนทางซ้ายเอนทางขวาไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าไปยุ่งกับมันก็จะไม่ได้ทิ้งร่างกายจะแยกออกจากร่างกายไม่ได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าเราใช้พุโทโธหรือถ้าเราใช้ลมก็ให้อยู่กับลมอย่างเดียวส่วนอาการอะไรอย่างอื่นที่เกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจคบถามจากคุณจังปา ง, งามนั่งแล้วจิตติดภวังเจ้าค่ะ บางครั้งสะดุ้งตกใจมีการนำดวงจิตของเราออกไปท่องเที่ยวได้หรือไม่เจ้าคะคำว่าผวังนี้ก็เข้าแปลว่าหลับใช่ไหมนั่งแล้วหลับเพราะว่าไม่มีสติต้องฝึกสติต้องพุทต้องมีพุโทโธอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไม่ตกผวามันจะไม่หลับถ้ามันจะตกผวังจีนก็เป็นผวังสมาธิผวังสมาธิก็ไม่หลับก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา แล้ว ม, มันก็จะไม่มีอะไรดึงจิตให้ไปที่อื่นได้แต่ถ้าหลับแล้วมันก็ฝันมันก็ฝันว่าไปนู่นมานี่ขึ้นมานั่นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งคำถามจากคุณปลายฟ้าถ้าสามีเราเล่นการพนันแล้วนําเงินมาให้เราใช้โดยเราไม่ได้ยินดีในที่มาของเงินแต่เราก็ไม่มีทางเลือกเราจะบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอแต่ระวังเขาขเข้ามาขอคืนนะ เ ด, เดี๋ยวเวลาเงินเข้าหมดก็เขามาขอยืมเราจะให้เขาหรือเปล่าเวลาเขาให้เราเรารับแล้วเวลาเขามาขอเร า, เราจะให้เขาหรือเปล่าเราก็ต้องคืนเขาไปเอาไปสานีใช่ไหมคะถ้าทางที่ดีเขาให้มาก็ไม่เอ า, ดา เ, เดี๋ยวก็เกิดคุณเล่นหมดคุณก็ต้องจะได้ไม่ต้องมาขอคืนเพราะเดี๋ยวบงทีได้มาซื้อทองมาให้เมียซื้ออะไรมาให้เดี๋ยวพอเจ๊งก็มาขอคืนน <laughs> หลอกเวลื่องหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอยู่ไหมมีใครถามนั่งรอเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวอาจจะมีคําถามยังมีเวลาสักสิบห้านาที อ, อทาจารย์ครับ ถ, ถ้าเกิดเราเรานั่งสมาธิถ้าเกิดว่ามายถึงว่าความสูงในสมาธิเราเ อ, อแบบว่าอิ่มเอมแล้วถ้าถ้าเกิดสมาธิถอนเข้ามาอย่างนี้เราต้องไป ซ้ำให้เป็นเวทนาใหญ่ด้วยครับรคือเวทนาเรา<ว>ก็พอคือเวทนานี้มันเป็นเรื่องของว่าหนึ่งเรามีเป้าหมายอยากที่จะไปทำข้อสอบนี้หรือเปล่าถ้าเรามีข้ออยากจะทำข้อสอบนี้เราก็ต้องนั่งต่อไปให้มันเจ็บแล้วก็ทาใจสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บนี้ให้อยู่กับมันได้แต่ถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายที่จะทาข้อสอบนี้ถ้าเรานั่งแล้วเรา จิตออกจากสมาธิมาแล้วเราไม่อยากจะนั่งต่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้เดินจงกรมจะเริยนสติต่ อ, อมาเพราะเพราะยังตอนนี้เหมือนของของผมเหมือนเวทนามันเลื่อนเวลาออกครับแต่ทีนี้เวลาเราเราเร า, เราตามตอนแรกเราก็เหมือนมีความถุกดีอยู่แล้วแต่ไม่เจอว่าเราออกตามดีมันก็จะตามไปเจ็บอีกครับอ่าแล้วแต่เราถ้าเราอยากจะฝึกสู้ความเจ็บเราก็ต้องไปหามันเลยถ้าเราจะฝึกกับความกลัวเราก็ต้องไปหาสิ่งที่น่ากลัว แต่ถ้าเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไม่กลัวตายแล้วก็ไม่ต้องไปหามันนะเราให้มันหาเราก็ได้แต่ยังยังสมาสมาธินี่ก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งถึงระดาก็มีวันสิ้นสุดนะครับคือว่าประโยชน์ของสมาธิเราจับประโยชน์ อ, อ๋อไม่สิ้นสุดเราก็นั่งไปจนถึงนิพพานนั่นแหละเพราะมันจะต้องเป็นที่พักของจิตระหว่างเจริญวิปัสสนามันก็ต้องไปพักพิจารณาปัญญาสักระยะหนึ่งมันก็ฟุ้งมันก็เหนื่อยมันก็หยุดแล้วก็กลับไปทําใจให้สงบไป สร้างกําลังสมาธิเป็นเหมือนที่พักหลับนอนของจิตวิปัสสนาเป็นที่ทํางานของจิตมันมันต้องมีทั้งสองส่วนผัดกันทํางานไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายถึงพรนิพพานพอถึงแล้วมันถึงจะเลิกนั่งสมาธิได้เลิกจเจริญปัญญาได้แต่ก็อาจจะอยู่ในท่านั่งสมาธิแต่สมมุติว่าสมาธิเราถอนขึ้นมาเรกาก็อาจจะใช้ปัญญายในท่านั่งสมาธิก็ได้อยู่ท่าไหนาก็ได้ถ้ามีความคิดก็คิดไปในทางปัญญา ไปกำลังทำมุ่งกำลังหมดแล้วก็ซ้ำเข้าไปที่สมาธิใหม่แล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่แล้วก็ซ้ำเข้าอนั่ทํากลับไปกลับมาอย่างนี้เหมือนทํางานเนี่ยทำงานเหนื่อยก็ไปพักกินข้าวนอนสักพักหนึ่งพอหายเหนื่อยมีแรงก็กลับมาทํางานต่อสมาธิเป็นที่พักพิจารณาปัญญาเป็นที่ทํางานฆ่ากิเลสเอาะคือว่าถ้าเกิดว่าเราโน้มแล้วก็กลับมาที่อวบนาสมาธิถ้าเกิดว่าแรงเต็มแล้วก็ออกไออครับไปไปมา จะถามได้เลยอกลับแล้วออกไปได้นีใครมีมาอีกไหมเข้ามาคําถามจากคุณเจเวลานั่งสมาธิสังเกตลงหายใจสักระยะแล้วจิตรวมนิ่งจะต้องทําอย่างไรต่อเจ้าคะจะต้องสังเกตที่ไหนเพื่อที่จะเจริญสติต่อไปได้คะก็ให้ดูว่าเราคิดหรือเปล่า ถ้าไม่คิดก็ถ้ามันนิ่งโดยที่ไม่คิดอะไรก็ประคับประคองมันไปด้วยสติโดยการกําหนดรู้ให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าให้มันคิดแล้วให้มันนิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้มันจะออกมาค่อยก็ต้องปล่อยมันออกไปหรือไม่งั้นเราก็ต้องใช้คําบริกรรมพุทโธดันมันเข้าไปใหม่ถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งต่ออ่ากราบเลยอ่ะ มีแต่จะคนกลับทั้งนั้นนะไม่เวลากลับก็กลับคนอยู่ก็อยู่เดี๋ยวคนทางบ้านก็ยังมีเวลาให้เขายิ่งหน่อยอถามต่อคำถามจากคุณสายทานหนูภาวนาได้ภาวังแบบที่พระอาจารย์สอนเมื่อกี้แต่หนูรู้สึกมีสติรู้ตัวตลอดเวลาพอถึงเวลาสองชั่วโมงปุ๊บหนูอยากออกจากหนูอยากจะออกจากสมาธิเสมอเลยเจ้าคะ่ะแบบนี้หนูได้สาวะขั้นไหนเจ้าคะ ก็ได้ขั้นสมาธิเนี่ยแล้จะลึกแค่ไหนก็ยังไม่รู้ถ้ามันลึกเต็มที่นี้ร่างกายมันหายไปเลยเ<ม>หลือแต่ตัวจิตตัวรู้อยู่ตัวเดียวแล้วแล้วผมสงสัยว่าถ้าถ้าเกิดเราออกพิจารณาเรื่องปัญญาครับอันนี้เราเราใช้สภาวะสมมุติว่าเจอสิ่งใดที่ว่ามากระแทกจิตใจอย่าเงี้ยเราเราต้องรี บ, ร, บรีบพลิกรีบพลิกให้เป็นปัญญาในในขนาขณะที่มันกระทบเราเลย มันก็ทําได้สองขั้นทำแบบเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนซ้อมไว้ก่อนแล้วทําแบบปัจจุบันทันด่วนถ้าเกิดจะเจอใครด่าเราเนี้ยก็ต้องถ้าเป็นปัจจุบันทันด่วนก็เหมือนตำรวจเจอขโมยเมื่อไหร่ก็ต้องจับกันเมื่อ น, นั้นถ้าไม่เจอขโมยก็ซ้อมวิธีจับขโมยไว้ก่อนถ้าเราอยู่คนเดียวยังไม่เจอใครด่าล้วก็ซ้อมไว้ก่อนว่าเดี๋ยวต้องเจอคนด่าเรานะคนด่าเราเราต้องเฉยนะเราอย่าไปโกรธเข้าอย่าไปตอบโต้ แล้วพอเราไปถึง้เจอเหตุการณ์ก็ด่าเราแล้วก็เฉยอย่าไม่ต้องไปตอบโต้สาทุไปถ้าจะตอบโต้สาทุคือคือว่าเราก็ซ้อมให้แบบว่าปกป้องจิตเราให้แบบไหวที่สุดทนะี่เราจะเกิดเจอแล้วก็รีบอัดให้ไหวที่สุดก็เหมือนนั่งมวยนั่งมว ย, มวยต้องซ้อมก่อนต้องซ้อมโชคก่อนเดี๋ยวพอขึ้นเวทีแล้วเจอของจริงมันจะได้ ค, คือว่าเราเราซ้อมให้เหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกด้วยคล้ายคล้าจิตของอัปนาธทมาธิ ให้เฉยตลอดยี่สิบสี่ให้เจออะไรก็เฉยคือว่าซอมเพื่อเพื่อเพื่อหลับกับตืนหรือว่าซ้ามเพื่อไม่ให้เกิดความโลภโกรธหลงเวลาเกิดความโลภโกรธหลงก็ให้หยุดมันพอเห็นเงินก็โลภขึ้นมาก็หยุดมันพอใครด่าล้วโกรธก็หยุดมันพอไปเห็นว่า<ช><ไ>อั่นดีนี่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะไม่มีอะไรในโลกนี้ดีมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเข้าใจไหม ก็ผมจังโมที่อาจจะเป็นอันนาณาธที่เนี่อาจจะเป็นเหมือนแบบว่ารางวัลปลอบใจถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ไปอะไรทา้งโลกแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนมันไม่ได้สุขอย่างที่เราเคยใช้แล้วถ้าอันนาณาธิการคือว่าเป็นอันที่ใช้ทดแทนความสุขทางโลกอ่าเราจะได้เลิกโลภได้เลิกหาเงินได้เลิกหาแฟนได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องอยู่กับแฟนอ่าเ ม, มย์กันไหมคถามจากผู้ฟังออกมา ถ้าให้แอปไลน์เพื่อจะสอนทำมะถ้าเกิดเราไม่รับจะบาตไหมครับเพราะกลัวไม่เหมาะสมที่จะคุยกับท่าน อ, อ๋อไม่บารบแล้วไม่บาตรคำถามจากคุณชายบอยเมื่อก่อนเคยบวชสายธรรมยุทธ์ที่อุดรปฏิบัติมาห้าเดือนแต่หลังจากสึกออกมาทำสมาธิไม่ได้เหมือนเดิมเป็นเพราะสีไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าครับไม่หรอกเป็นเพราะไม่มีสติคาถามจากคุณเจ้าฮะ ตั้งแต่นั่งสมาธิมายังไม่ได้เดินจงกรมเลยครับอยากเรียนถามว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าครับอ๋อนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้ที่เขาเดินจงกรมเพราะเขาปฏิบัติมากเขานั่งมากแล้วมันต้องเปลี่ยนเอริยาบทถ้าเรานั่นแค่เวลาครึ่งชั่วโมงนี้เราไม่ต้องไปเดินจงกรมแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งมันอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอริยบทนั่งแล้วเมื่อเลยเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินแล้วเมื่อย ก, ก็กลับไปนั่ง คำถามเจ้คุณสราญยุทธร่ารกายป่วยมีส่วนทำให้เกิดสมาธิยากขึ้นกว่าร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับก็แล้วแต่จิตของใครถ้าจิตของผ้าอาหารนี่ป่วยก็ไม่ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นจิตของปุถุชนเวลาป่วยกิเลสมันก็ยิ่งออกมาออกแรงมากากิเลสมันจะโหดเหี้ยมันจะสร้างความลำความอยากต่างๆทําให้ทําใจให้สงบยาก เรอยากจะให้มันหายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีกำความอยากจะพุโทโธแต่ถ้าร่างกายไม่เจ็บมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคทางนี้มันก็จะทําให้การฝึกสมาธิฝึกสติมันง่ายกว่าแต่คนที่ก็ฝึกสติได้แล้วก็ไม่เป็นปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะดีเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ไปดูหนังไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่ม พอเจ็บไายได้ป่วยไปไม่ได้มันก็เลยต้องพุทโธพุทโธสู้กับความเจ็บไายได้ป่วยไปอันนี้มันก็แล้วแต่ความเจ็บไายได้ป่วยบางทีก็เป็นเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ช่วยเสริมความเพียรหรือบางทีก็เป็นอุปสรรคทำให้แล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ระดับเบื้องต้นนี้ความเจ็บไายได้ป่วยก็จะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราอยู่ในระดับที่เรามีสติแล้วเราปฏิบัติได้แล้ว ความเจ็บไข้ไน้ป่วยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราปฏิบัติมากขึ้นคำถามจากคุณสิริมาหนูท่องพุทโธนั่งนิ่งๆแบบลืมตายังหลับตาไม่ได้เพราะจะฟุ้งกว่ามันรู้สึกจ้าจ้าแต่ยังมีความคิดอยู่บ้างไม่นิ่งขอพระอาจารย์ชี้แนะค่ะก็ต้องหลับตาถึงจะดีกว่าจิตจะไ ด, จจะได้จิตจะได้ปิดทวารทั้งห้าแล้วจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าลืมตาจิตมันก็จะติดอยู่ที่รูปอยู่ ยพยายามหลับตาคาถามจากคุณจันทการถ้าออกจากสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายมันไม่มีลมหายใจเราควรจะวางจิตหรือทำอย่างไรดีคะให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไม่มีอะไรอาอีกสองข้อมีคอมเมนต์เข้ามาค่ะว่าแนะนำให้อดมินอ่านคำถามให้ะอาจารย์พิจณาตอบเอง ว่าท่านจะตอบหรือไม่เพราะบางทีเจ้าของคำถามมีปัญหาที่หาคำตอบไม่ได้ทีที่พึ่งคือพระอาจารย์เพราะท่านเทศทุกวันเจ้าของอาจหาคำตอบไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ค่ะก็ะลองดูถ้าเห็นว่าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็อย่ามาว่ากันก็แล้วกันอีกคำถามหนึ่งคำถามจากบุรศกรพยายามรักษาสิห่าแต่ต้องเจอมแมลงสาบทุกวันและกลัวด้วย ต้องทําอย่างไรคะถึงจะไม่ฆ่าสัตว์ก็อย่าไปสนใจมันเลยก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันคิดว่าถ้าเราเป็นมันเราจะอยากให้เขาเข้ามาฆ่าเราหรือเปล่าถ้ามันไม่มาทําร้ายเราทําอะไรให้เกิดภัยเราก็อย่าไปกังวลกับมันหรือถ้าเรามีมาตรการป้องกันได้ก็กป้องกันไปจับไปปล่อยอข้างนอกได้จับได้ได้จับไปปล่อยได้ด้วยกันอย่าให้มันเข้ามาหาวิธีหาช่องว่ามันเข้ามาตรงไหนแล้วก็ ปิดช่องนั้นเสียใหญ่มันเข้ามาพอแล้วนะ<ส> <ilim. S 2> อ่ะสุดท้ายา<อ>ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเสมาธิตรงจิตตรงลึกสมาธิลึกเนี่ยจะรู้สึกตัวเบาหายไปออยากให้อาจารย์ขยายความคําว่ารู้สึกว่าร่างกายมันหายไปก็ <c oughs> ต้องทํามันหายไปมันไม่อยู่ในความรู้สึกของเราเลยมันมันจะรู้สึกแบบว่า ม, มั น, นเหม<อ>ือนมันเบาไปหมดด้วยอเปล่าทําไปอันนี้บอกไม่ได้หรอก เหมือนคนตาบอดบอกสีเขียวสีแดงเป็นยังไงบอกไม่ได้ดึงตาดูเลยดึงตาแล้วก็จะเห็นเองนั่งสมาธิไปพูดโทรไปเดี๋ยวมันก็เห็นเองทันพิทิโกบอกได้แค่นี้เพราะมันคำพูดมันจิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเข้าใจน ะ, ะก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ